ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประปุปปศสิกขาและบุพปสิกขาวันนาพระอมราธิรคิตะอมาโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะแสดงในวินยัตซึ่งมาในอัตถกฐถาแห่งกุติการักสิกขาบทเรื่องของการขอกับบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติ จะขอปรุษมาขาดมูลค่าไม่ควรขอเพื่อจะเป็นสหายเพื่อทําการควรอยู่คือจะขอมาไว้ใช้เลยตลอดไม่ได้นะแต่ว่าขอมาเพื่อจะมาช่วยทํางานชั่วคราวนี้ได้จะขอหัตถกรรมคือแรงมือก็ควรขอแรงงานอันหัตถกรรมนี้จะเป็นวัตถุสิ่งใดก็หาไม่เพราะเหตุนั้นหัตถกรรมทั้งปวงยกแต่การงานของพวกตรานเนื้อตรา น, นกเป็นต้นเสีย นอกนั้นควรสิ้นไปแล้วเขาถามหรือไม่ถามก็าตามจะขอควรอยู่จะเป็นโทษเพราะวินยัตหาไม่คือไม่เป็นวินยัตขอแรงงานนี้ไม่เป็นวินยัตนะเพราะเหตุ น, นั้นอย่าพึงขอหัตกรรมไม่กำหนดกับผลานเนื้อเป็นต้นว่าท่านจงให้หัตกรรมด้วยว่าขอไม่กำหนดดังนี้เขาจะพึงส่งพิกถูกไปแล้วค่าเนื้อส่งมาให้พึงกาหนดขอว่า การจะพึงทำในวัดมีก็คือการงานเนี่ยในวัดมีท่านจงให้หัตกรรมในการงานนั้นดังนี้เถิดชาวนาเขาถือเอาเครื่องอุปกรณ์เป็นต้นว่าผานไถเพื่อจะไถหรือว่าวานหรือเกลียวหรือเขาขวนขวายในกิจของเขาอยู่แล้วหรือคนพวกอื่นจะขอหัตกรรมแกเขานั้นควรแท้แต่คนกินเดนหรือว่าคนอื่นไม่มีการงานพูดแต่คำคือพูดมาก ไม่ต้องการหรือว่ามักจะนอนหลับอยู่คนเช่นนี้แม้ไม่ขอจะใช้ให้ทำตามประสงก็ควรใช้ได้เลยพวกคนกินเดน พ, นพวกอะไรพวกนี้อาจารย์ทั้งหลายแสดงอย่างไว้เพื่อจะประกาศหัตถกรรมว่าควรอย่างนี้ถ้าที่สุใใร่จะให้เขาทำปราศาสใช้ต้องการด้วยเสาพึงไปเรือนช่างศิลาขอว่าดูก่อนอุบาศกให้หัตถกรรมก็จะควร เขาถามว่าจะพึงทําอะไรพึงบอกว่าช่วยรื้อเสาจีราขึ้นให้ถ้าเขารื้อขึ้นให้หรือเขาให้เสาที่เขารื้อขึ้นเก็บไว้ก็ควรถ้าแม้เขาว่าโอกาสเพื่อจะทํานวกรรมไม่มีท่านจงให้ผู้อื่นรื้อขึ้นเถิดข้าพเจ้าจะให้มูลค่าแก่เขาเมื่อให้ผู้อื่นรื้อขึ้นแล้วบอกเขาว่าท่านจงให้มูลค่าแก่ผู้รื้อเถิดดังนี้ก็ควรอยู่โดยอุบายนั้น ต้องการไม้ปราศาสต์จะไปหาช่างไม้ต้องการอิฐ ก, ก็ไปหาช่างอิฐต้องการเครื่องมุงก็ไปหาช่างมุงต้องการจิตรกรรมก็ไปหาช่างเขียนต้องการสิ่งใดไปหาช่างสิ่งนั้นดังนี้แล้วขอหัตถกรรมก็ควรด้วยขอหัตถกรรมได้ขาดค่ามาหรือว่าได้ค่าจ้างที่เป็นกับพิยะมาทั้งปวงจะรับเอาก็ควรต้องเป็นขัพิยะด้วยนะจะให้เขาเอาของมาแต่ป่า พึงให้เขาเอาของทั้งปวงที่ไม่มีเจ้าของหวงมาใช่แต่จะให้เขาทำปราสาทอย่างเดียวแม้จะให้เขาทำเตียงตังบาตรผ้ากรองน้ำธรรมะกรกและกชิวรเป็นต้นได้ของเป็นต้นว่าไม้และโลห ะ, ละได้แล้วพึงไปหาช่างสิ่งนั้นๆแล้วขอหัตถกรรมอย่างว่าแล้วเถิด ด้วยการขอหัตกรรมแม้ได้ขาดค่าหรือว่าค่าจ้างเป็นกับพิยะมาทั้งปวงพึงรับเถิดแต่ถ้าช่างเขาไม่อยากจะทำเขาประสงค์ค่าจ้างไซของเป็นอกับพิยะเป็นต้นว่ากหาปณะก็คือเงินทองเนี่ยอย่าพึงให้จะแสวงหาข้าวสาลเป็นต้นด้วยพิษขาจาระวัตแล้วให้ก็ควรต้องเป็นคนที่เป็นกับพิยะเท่านั้นถึงจะไปให้ได้ให้เขาทําบาตรและให้เขาระบมด้วยหัตกรรมแล้ว ต้องการน้ำมันเช็ดบาดระบบใหม่เข้าไปในบ้านเขาสำคัญว่ามาบินธบาตเขาน้อมข้าต้มหรือว่าข้าสวยเข้ามาพึ่งเอามือปิดบาเสิยะถ้าอุบาสิกาเขาถามว่าทำไมจึงปิดบาทเสียด้าพึ่งบอกว่าบาทระบบใหม่ต้องการน้ำมันเช็ดถ้าเขารับเอาบาดไปทาน้้ำมันแล้วจัดข้าวต้มหรือว่าข้าสวยมาถวายไม่ชื่อว่าเป็นวิญยัตควรรับเพราะว่าไม่ได้มีการขอ โดยการเอ่ยปากอะไรนะงแต่ว่าไปบินธบาีโดยที่บาทระบบใหม่ถ้าไปผิดเวลาที่เขาก็น่าจะถามแล้วนะถ้าก็ถามก็บอกได้หมดเลยไม่คิดว่าเป็นวิญญา ต, ต์ตอบคนถามพิถูกไปบินธบาีแต่เช้าไปที่โรงฉันไม่เห็นอาสนะยืนอยู่อุบาสิกาเขาเห็นยืนอยู่เขาให้คนเอาอาสนะมาปูเองนั่งแล้วเมื่อจะไปพึงบอกก่อนแล้วจึงไป แม้ไม่บอกก่อนแล้วไปอาสนะหายไม่เป็นสินใช้ดอกแต่บอกเสียแล้วจึงไปนั้นเป็นวัดถ้าแม้ที่ตุใช้ให้เขาเอาอาสนะมาเขาจึงเอามาพึงบอกก่อนแล้วจึงไปไม่บอกก่อนไปเสียเป็นวัตถเพทด้วยวัตเพศนี้ต่อปัตถุกฏหายไปก็เป็นสินใช้ด้วยแม้ผ้าโกเชาเป็นเครื่องราชก็เหมือนกันอย่างนั้ น, มนแมลงวีชุมพึงกล่าวว่าท่านจงเอาพัด ตัดแมลงวีมาเขาเอากิ่งตะดาวเป็นต้นมาพึงให้ทํากับปิยะก่อนจึงรักภาชนะน้ําที่โรงฉันเปล่าอยู่ไม่มีน้ําอย่าพึงกล่าวว่าท่านจงถือเอาธรรมกรกด้วยเมื่อเขาจ้วงธรรมกรกลงในภาชนะเปล่าจะพึงต่อยเสียก็คือทําลายหม้อน้ําหรือว่าธรรมะกรจะพังแต่ไปยังแม่น้ําหรือบึงจะกล่าวว่าท่านจงเอาน้ํามาควนอยู่ จะกล่าวว่าท่านจงเอาน้ํามาแต่เรือนไม่ควรเลยเป็นวิญญัติได้นะเขาเอามาให้แต่เรือนด้วยบังคับนั้ำยาฉันน้ําเนี่ยไม่ต้องประเคนก็จริงแต่ว่าถ้าน้ําเป็นของมีเจ้าของนี้อันนี้ก็จะต้องขอไม่ได้ขอเอ่ยปากไม่ได้ก็จะเป็นวิญญาตเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงการลิกแล้วน้ํามีพ้นจากการลิกทั้งสี่เรียกว่า ก, ากวิมุตนะนะพ้นจากอาลิก เป็นีกาดนานเนี่ยดื่มได้ตลอดเวลาทางพัตกิจอยู่ในโรงฉันหรือว่าในป่าจะใช้คนผู้ทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ให้เอาใบไม้หรือว่าผลไม้ที่ควรเป็นกับข้าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดอยู่ในที่นั่นไม่มีใครหวงมาด้วยขอหัตกรรมแล้วจึงฉันก็ควรแต่อย่าใช้พิจุหรือสั ม, มนเนธที่เป็นอนัคชีให้ทําหัตกรรมอันนี้เป็นตัวอย่างในหัตกรรม จะให้เขาเอาโคมาแต่ที่ใช่ญาติและใช่คนปราณาก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปรานาจะให้เขาเอาโคมาเนี่ไม่ควรเมื่อให้เขาเอามาเป็นทุกกดจะขอแต่ญาติแต่คนปราณาเพื่อขาดท่าก็ไม่ควรจะขอยืมมาควรในที่ทั้งปวงขอมาใช้เลยนี่ไม่ได้ถ้ายืมมาชั่วคราวนี่ได้ขอมาทนตัวเลยไม่ได้ยืมโคเขามาอย่างนี้แล้วพึงรักษาปฏิบัติแล้วคืนให้เจ้ของเขา ถ้าเท้าหรือว่าเขาแห่งโคหักไปหรือโคหายไปเล่าถ้าเจ้าของเขารับก็ เ, เป็นการดีแต่เขาไม่รับไซส์ก็เป็นตินใช้ถ้าเขาว่าข้าพเจ้าถวายแก่ท่านทีเดียวกล่าพึงรับแต่เขาว่าข้าพเจ้าถวายแก่วิหารพึงกล่าวว่าท่านจงบอกคนรักษาวัดเพื่อให้ปฏิบัติเถิดแม้จะกล่าวกับคนใช่ญาติใช่ปรนนาว่าท่านจงให้เกวียนดังนี้ไม่ควรเป็นบินยักษ์แท้ ตับ้บัตรทุกกฎอันยัดนี้แต่ขอในที่ญาติและคนประวรณาควรอยู่จะขอยืมก็ควรทําการแหพึงคืนให้เขาถ้าโกงเป็นต้นหักไปพึงทําให้เป็นปกติแล้วคืนให้เมื่อหายเป็นสินใช้เมื่อเขาว่าถวายแก่ท่านทีเดียวชื่อว่าเป็นเครื่องไม้จะรัดควรอยู่แม้ในมีดแหนะขวานเพิงจอบเหล็กชัยก็เหมือนกันอย่างนั้น ในถาวรเป็นต้นที่คนอื่นหวงอยู่ควรเป็นครุพัณุ์ได้เป็นวิญญาตตามลงไปกว่านั้นไม่เป็นคือของที่เขาหวงเอาไว้ใช้ถอยอยู่นะถาวรก็คงจะประมาณสักเจ็แปดนิ้วขึ้นไปแต่จะให้เขาเอาวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีคนหวงมาควรอยู่ด้วยว่ากล่าวว่าเป็นวิญญาตแต่ในของที่เขารักษาและหวงอยู่อย่างเดียว ในปัจจสองก็คือจีวรและบินทบาทวิญญตัตนั้นไม่ควรด้วยประการทั้งปวงสำหรับจีวรกับบินทบาทนี้จะไปขอกับคนที่ไม่ใช่ญาตินี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ในเสนาสนะปัจจัยข้อว่าท่านจงเอามาจงให้อย่างเดียวไม่ควรคือขอต้องตรงไม่ได้เสนาสนะเนี่ยนะส่วนปริกถาโอภาษนิมิตรกรรมเนี่ยควรปริกถาโอภาษนิมิตรกรรมจะเอาเข้าของไปวางไว้หรืถามเขาถามเขาอยู่ที่ไหน พอกตุกวนอยู่ในที่นั้นบ้างไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้สธรัมจีวรกับวินสบานนี้ถ้าจีวรหายสามผืนขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติได้นะหายสองผืนขอได้ผืนเดียวหายผืนเดียวก็ไปแสวงหาจากคนที่เป็นญาติหรือว่าไปเก็บเอาวินตบานก็ขอได้การ น, นิ่งเท่านั้นหรือว่าขอกับญาติอยากได้รงอุโบสถรือว่ารงฉันหรือว่าเสนาสนะอันใดอันหนึ่งกล่าวเปลยว่าในโอกาสนี้ จะทำเศนาสนะเช่นนี้ควรหนอชอบหนอสมควรหนอดังนี้ชื่อว่าปริคตถาเหมือนกับว่ารล้อมแต่อนุญาตไว้ถามอุมาศว่าท่านอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ปราสาสและผู้ต่อไปเป็นต้นว่าปราสาทไม่ควรแก่ที่สุดทั้งหลายดอกกระมังหรือว่าไม่ควรแก่ที่สุดทั้งหลายหรือดังนี้ชื่อว่าโอภาสเห็นมนุษย์มาต่อถึงเชื่อกและให้เขาตอบหลักเขาถามว่าผู้เป็นเจ้าทําอะไร กล่าวว่าจะทําอาวาสในที่นี้ทําอาการดังนี้เป็นต้นชื่อว่านิม um ิตตดำรามเครื่องหมายส่วนในที่ลานะปัจจัยเนี่ยยารักษาโรคนี้แม้วินยัตขอเขาก็ควรเมื่อป่วยปริกถาเป็นต้นก็ไม่ต้องว่าเลยยารักษารโรคนี้ถ้าป่วยมีปัญหาก็ขอกับใครก็ได้ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นปรนาร์ขอได้ทั้งนั้นเดินเข้าร้านขายยาขอก็ยังได้เลยไม่ผิดพระวินัยถ้าป่วย วิญญาติกาถาก็จบต่อไปก็จะกล่าวในเมนทกะ บ, บัญญัติเมนทกะ บ, บัญญตัติบัญญัติของเมนทกะเศรษฐีนะบัญญัติที่มีเมนทกะเศรษฐีเป็นต้นเหตุเรื่องของการเอาเงินทองว่าไว้ในมือของวิทยุจิกรให้เขาจัดการดูแลให้ข้อหนึ่งอีกทรงอนุญาตไว้ในเมนทกะ บ, บัญญัติว่าสันติพิกฆเวมักห า, าข้อความลก คันตุงอนุชานามิพิกเวก็อความละตาเถียงปริเยสิตุงก็อความละอีกสันติพิกเวมนุษย์ศัทธาปรสันนาเตกัิยาการกานัง ห, หัดเถหิรัญยสุวรรณังอุปนิกิปันติข้อความละอนุชานามิพิกเวก็ความละยังตะโตกัิยังตังสาดิตุงข้อความละวะดามิแปลว่า ดูความที่สุดทั้งหลายมีอยู่หนทางกันดามีน้ําน้อยมีของฉันน้อยหาไม่ได้ง่ายยากอยู่ที่จะไปด้วยการไม่มีทะเบียนเราจะสาคตอนุญาตให้หาทะเบียนเดินทางต้องการด้วยข้าวสารเพิงเ่งแสวงหาข้าวสารต้องการด้วยเกลือเพิงแสวงหาเกลือต้องการถั่วเขียวเพิงแสวงหาถั่วเขียวต้องการถั่วราชมาศเพิงแสวงหาถั่วราชมาศต้องการน้ําอ้อยเพิงแสวงหาน้ำอ้อยต้องการน้ามันเพิงแสวงหาน้ํามัน ต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนวยใสดูก่อนที่สุดทั้งหลายมีอยู่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเขานั้นตั้งเงินและทองไว้ในมือแห่งกัปติยากรรกทั้งหลายว่าด้วยของนี้สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าท่านจงถวายสิ่งนั้นดังนี้เราสถาคตอนุญาตสิ่งใดเป็นของควรแต่เงินและทองนั้นคือเป็นกัปติยะเนี่ยทองที่ได้มาเป็นสิ่งที่ชมควร จากเงินทองนั้นให้ยินดีถึงนั้นและเราตถาคตไม่กล่าวว่าพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอันหนึ่งอันใดเลยทีเดียวในการแสวงหาสเบียงนั้นท่านอาจยตถากล่าวไว้ว่าถ้าทายกบางจะพวกเขารู้เขาถวายเองเป็นการดีถ้าเขาไม่ถวายไซพึงแสวงหาแต่ที่ญาติหรือว่าคนปวารณาหรือด้วยทิฏฐาจาระวัตเมื่อไม่ได้ด้วยประการนั้น พระอัรย์ตาาจารย์ท่านว่าก็พึงขอแต่ที่คนไม่ใช่ญาติถือว่าไม่ใช่ปรณนาก็ได้พึงถือเอาเิดหนทางจะพึงไปเพียงวันหนึ่งพึงแสวงหาเพื่อเป็นข้าวสุกเวลาหนึง่งหนทางยืดยาวไกลจะไปตามทางกันดารด้วยสเสบียงเท่าใดพึงแสวงหาเท่านั้นในกับปิยาการรับเงินทองไว้นั้นถ้าเจ้าของเดิมเขาบอกให้พิจุรู้หรือเขาใช้ทูตให้บอกพิจุไม่ยินดีมูลค่า ยินดีแต่กับยะกษ์พันอย่างเดียวจะทวงแม้จักพันผลก็ควรถ้าเป็นกับยักษ์การกที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเป็นคนจัดการแต่งตั้งให้เลยนะแล้วก็ส่งทูตมาบอกบอกให้ทิสุรุลจะทวงพันครั้งก็ไม่เป็นไรไม่มีกําหนดดังในราชาสิกขาบทในราชาสิขาบทนั้นหมายถึงทิสุชี้กับยักษการกเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเกรงใจเขาขอได้ทวงได้ไม่เกินสาครั้งยืนได้ไม่เกินหกครั้ง หรือว่าทวงอย่างเดียวก็หครั้งยืนอย่งเดียวก็สิบสองครั้งแต่ถ้าทั้งทวงทั้งยืนก็ยืนได้สามครั้งทวงได้ไม่เกินหกครั้งถ้ายิ่งกว่านั้นได้จีวรมาก็เป็นนิสกิยาไปจิตตีอันนั้นหมายถึงพิจุไปแสดงกับพิยาการกเองถ้ากับพิยาการกเขาไม่ให้พันดับ ก, กับพิยใช้พึงตั้งคนอื่นให้เป็นกับพิยการกนํามาถ้าพิจุยังอ ย, งอยากปรารถนาอยู่ก็พึงบอกแก่เจ้าของมูลเดิม ถ้าไม่ปรารถนาไซก็อย่าพึงบอกเลยไม่ให้ก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันถือว่าเป็นผลของกรรมส่วนกับิยกักรกที่เจ้าของมูลค่าเขาไม่ได้บอกแกพิจุหรือไม่ได้สั่งทูดให้บอกแกพิจุเป็นแต่เขาให้กันเองต่อหน้าพิจุรับหลังพิจุแล้วเขาก็ไปกับยกักรกเช่นนี้พึงปฏิบัติดังคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปารณนานถ้าเขาให้กับพิยพันธ์เองก็พึงรับถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าพึงว่าสิ่งใดๆเลย ถ้าเกิดเจ้าของมูลค่าเขาไปตกดลกันเองว่าให้ช่วยดูแลพระริตุให้จัดของให้พระริตุแต่ว่าเขาไม่ได้มาบอกพระริตุหรือว่าไม่ได้รงพูดมาบอกนี่พระริตุจะไปทวงยังไงกับเขาก็ไม่ได้อันนี้ให้ไปบัดเมืองกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนโปรโนาไว้เมนทกะปัญญัติกถาจบเรื่องของเมนทกะบัญญตัติต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโคประกัดทานโคประกัดทานก็มหมายถึงผลเี้าเฝ้าส่วนให้ให้ทาน ข้อหนึ่งอีกทรงอนุญาตไว้ในวินิจตวัตถุแห่งอธินาทานว่าอนาปติภคเวโคปัสดานีแปลว่าไม่เป็นอาบัติเพราะคนเฝ้าสวนเขาให้คนฝ้าสวนเขาให้อย่างไรจึงควรให้อย่างไรไม่ควรเริ่มหาสุมนเทเธระกล่าวขวอนว่าของสิ่งใดเจ้าของกาหนดให้คนผู้เฝ้าว่าจงถือเอาแต่เท่านี้ทุกๆวันของนั้นควร ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ควรแต่พระมหาปทุมเถระกล่าวว่าเจ้าของทําหนังสือหรือว่าทํานิมิตหมายให้แก่คนผู้เฝ้ามีอยู่หรือเจ้าของนั้นเขาเป็นใหญ่แก่ของซึ่งสลักในมือแห่งคนผู้เฝ้าเพราะเหตุ น, นั้นคนผู้เฝ้าให้ของใดของนั้นแม้มากก็ควรสําหรับพระสุมาเถระนี้ท่านเรียนพระวินัยเก้ารอบสําหรับพระประทุมเถระนี้ก็เรียนพระวินัยสิบแปรอบ เรียนพร้อมกับพระสุมระครั้งหนึ่งเก้ารอบแล้วก็เรียนเองต่างหากอีกเดกอาจารย์อีกเก้ารอบเป็นพระเถระทรงพระตระดีดกอยู่ในหลังกาเนี่ยแหละส่งวินัยในอัตกถากุรุนทีกล่าวว่าเด็กรักษาสวนหรือว่าพลาผลอันอื่นแห่งมนุษย์อยู่ของที่เด็กนั้นให้ก็ควรแต่อย่าให้เด็กเอามาให้จะใช้ให้เอามาให้ไม่ได้ผู้เฝ้าสวนของสงหรือว่าของเจดีไปรักษาอยู่ เขาให้ก็ควรผู้รับจ้างเฝ้าให้แต่ตวนที่ถึงแก่ตนจึงควรในมหาปัญจปรีแกว่าคนรักษาสวนแห่งขดหัดเขาให้สิ่งใดแก่ทิจุสิ่งนั้นควรแต่คนผู้เฝ้าสวนสงต่วนของสงเนี่ยเขาหักส่วนสิ่งใดแต่ค่าจ้างตนมาถวายสิ่งนั้นจึงควรแม้ผู้ใดรับจ้างรักษาสวนอยู่กึ่งหนึงหรือต้นไม้บางต้นผู้นั้นให้ต่วนแต่ต้นไม้ที่ถึงแก่ตนก็ควร แต่ผู้เฝ้าสวนรักษาอยู่ให้ควรทั้งสิ้นคำทั้งปวงนั้นต่างกันโดยทยันชนะโดยเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันแท้เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาพึงรู้อธิบายถือเอาเถิดอันหนึ่งพึงรู้วินิจฉัยในการบริโภคผลอันนี้ด้วยในที่ใดเจ้าอาวาสก็คือพิกษุเจถิ่นเนี่ยไม่ให้แกอาคากกันตุกะเมื่อวาระผลถึงเข้าแล้วเห็นว่าพิกูุอื่นไม่มีจิงแจกัน ฉันแต่พวกของตนในที่นั้นอาคันตุกะทั้งหลายจะตีระฆังแล้วแจกันฉันก็ควรแต่ว่าในที่ใดจเจ้าอาวาสถือพวกเจ้าถิ่นรักษาต้นไม้ไว้เมื่อวาระผลถึงแล้วแจกันฉันและน้อมเข้าไปด้วยดีในปัจจัยทั้งสี่ในที่นั้นอาคันตุกะไม่เป็นใหญ่แม้ต้นไม้ใดเขากำหนดถวายเพื่อเป็นข่าชีวรแม้ในต้นไม้นั้นอาคันตุกะก็ไม่เป็นใหญ่ แม้ในต้นไม้เขากําหนดถวายเพื่อเป็นค่าปัจจัยอันเศษก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่ต้นไม้ใดเขาไม่กําหนดเช่นนั้นแต่เจ้าอาวาสรักษาหวงต้นไม้นั้นแล้วก็ลอบฉันอยู่กิริยาไม่ดีนะอาการแอบฉันเนี่ยนะในต้นไม้นั้นอาการดุกระยาพึงตั้งอยู่ในกติกาแห่งเจ้าอาวาสเลยต้นไม้ใดเขากําหนดถวายเพื่อบริโภคผลแต่เจ้าอาวาสรักษาห่วงไว้ห่วงแล้วก็น้อมเข้าไป ด้วยดีในปัจจัยในต้นไม้นั้นอาขันตุกะพึงตั้งอยู่ในกติกาแห่งเจ้าอาวาสแต่ว่าในมหาปัญ จ, จรีว่าต้นไม้เขากำหนดถวายเพื่อปัจจัยสี่ลักฉันด้วยแยจิตให้พระวินัยทรพึงตีราคาของปรับอาบัติกับเธอเมื่อเธอแจกันฉันเพื่ออำนาจบริโภคเป็นพันดัทไทแต่ต้นไม้ใดเขากาหนดเพื่อเสนาสนะต้นไม้นั้นเมื่อแจกันฉันด้วยอนานาจ บริโภคเป็นตรวใจด้วยแล้วก็เป็นพันธุไทยด้วยต้งใช้คืนเขากาหนดไว้เพื่อเป็นเสนาสนะต้นไม้เขาอุทิศถวายเพื่อเป็นค่าจีวรพึงน้อมเข้าไปในจีวร อ, อย่างเดียวถ้าข้าวแพงทิ้งสุดำบากด้วยบินดาบาตแต่จีวรหาง่ายจะทำอัปโลกน ก, กรรมคือประกาศเพื่อสงเห็นดีแล้วน้อมเข้าไปในบินตาบาตก็ควร เมื่อพิสูจน์ลำบากด้วยเสยนาสนะหรือว่าขีลานาปัจจัยจะทำอัปโลกน ก, กรรมเพื่อสงห็นดีแล้วน้อมเข้าไปในปัจจัยนั้นก็ควรเหมือนกันแม้ของเขาอุทิศถวายเพื่อเป็นค่าบินธบาหรือว่าคีลานาปัจจัยก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่ของเขาอุทิศถวายเพื่อเป็นค่าเสนาสนะเป็นครุฑพันของหนัดพึงรักษาห่วงแล้วน้อมเข้าไปเพื่อเสนาสนะอย่างเดียวถ้าข้าวแพงพิสุจน์ทั้งหลาย ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้ด้วยบินตาบาทเธอทั้งหลายไปเสียที่อื่นเตะราชับไพโจรภัยโรคภัยก็ดีวิหารชีพหายคนทั้งหลายทำตาลและมะพร้าวเป็นต้นให้ชีพหายไปด้วยแต่ได้อาศัยเสยนาสนะปัจจัยอาจจะเลี้ยงชีวิตในการเช่นนี้แม้จะสละเสนาสนะบริโภคเพื่อจะปฏิบัติระวังเสนาสนะพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตเอาเสนาสนะบางตัวไปจำน่ายแล้วก็มาเป็น ปัจใจสี่มาเป็นข่าอาหารอะไรต่างก็จะดูแลเสนาสนะที่เหลือดีๆทั้งหลายต่อไปก็อนุญาตเพราะเหตุนั้นเสนาสนะอันหนึ่งหรือว่าสองอันที่เลวยกแต่เสนาสนะที่ดีเสียควรจักษณะเพื่อเป็นบินทบาแต่อย่าทําให้ขาดมูลแต่ตัวใดที่เขานิยมหรือว่าเขากําหนดถวายเพื่อปัจจัยทั้งสี่ในตัวนนั้นไม่ต้องทอําอปาโลกนกรรม ยอนอยู่ด้วยปัจจัยอันใดจะน้อมไปเพื่อปัจจัยอันนั้นควรผู้ซึ่งปฏิบัติระวังสวนแม้จะให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเขาให้เขาปฏิบัติระวังก็ควรแต่ผู้ใดได้ค่าจ้างแล้วทำเรือนอยู่ในสวนรักษาอยู่ถ้าผู้นั้นให้ผลมะพร้าวหรือว่าตานแกท่ทิสุที่มาถึงไซส่วนใดที่สงอนุญาตให้แก่ผู้นั้นว่าจงกินแต่เท่านี้ทุกวันทุกวันผู้นั้นจะให้ส่วนนั้นได้อยู่ แม้ผู้นั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจะรับไม่ควรเพราะว่าสิทธิสงให้เท่าไรหรือว่าตรงกันว่าอนุ ญ, ญาตให้บริโภคเท่าไร่ก็จะไปถวายทั้งจุก็ได้เท่านั้นนะนะแต่ผู้ใดเช่าสวนไปแล้วให้กับพญาพัน์แก่สงอยู่เพื่อปัจเจติ 4, ผู้นี้จะให้แม้มากก็ได้เพราะว่าเขาเช่าไปทั้งหมดแนละ้วนี่เป็นธรรมสิทไปเลยแม้สวนเขาถวายแก่เจดีเพื่อเป็นส่าประทีปหรือสําหรับซ่อมแปลงที่สระหัดพังต้องไปบัตรระวัง หรือให้ค่าจ้างให้เขาปฏิบัติระวังแต่ในสวนนั้นจะให้ค่าจ้างแม้เป็นของเจดีและเป็นของสงก็ควรเอาของเจดีหรือว่าของสงให้เป็นค่าจ้างก็ได้ผู้อยู่รักษา ส, สวนด้วยค่าจ้างและผู้ที่เช่าสวนไปให้กับพญาพัน์ก็ดีเขาให้ผลม้ที่เกิดในสวนนั้นให้พึงรู้โดยอย่างกล่าวแล้วเถิดโคประกัศทานะตถาจบเรื่องของคนเช้าสวนที่ถวายทาน ต่อไปจะเป็นการแสดงในธรรมิการักขาซึ่งมาในอนาปติวาระก็คือการขออารักขาที่เป็นธรรมนั่นเองซึ่งโดยตรงก็อยู่ในเรื่องของพิจุนีแห่งพิจุนีปฐรรมสังคารพิเศษเรื่องประสังคาริเศษต้นเหตุก็คือพิษุณีรูปหนึ่งชื่อถุตานันทาไปฟ้องร้องรงสารกับบุตรของคณาบดีพ่อของเขาถวาย ผมเก็บของอะนะแต่ว่ามาถึงลูกแล้วลูกไม่ยินยอมด้วยลูกกับหลานนะนะก้าพเดีก็บอกว่าถวายแล้วแต่ว่ามาถึงลูกเขาไม่ถวายอ่ะก็เลยไปฟ้องศาลกันฟ้องศาลศาลก็เลยถามทางพิกิตณีเ้าถวายกับพิกิตณีในหมู่สงพิจิตรีสงนะนะบอกว่ามีที่ไหนกันว่าเขาถวายรงทานหรือว่าถวายในโรงเก็บของแล้วเนี่ยจะต้องทําเป็นลายลักษณอักษรมีที่ไหนถวายสงไม่เนี่ย น, นะ ก็ตัดสินให้เป็นของสงฆไต่ก็เลยพวกบุตรข้าราชกานี่ก็แค้นไม่พอใจถูกปรับด้วยนะถูกปรับตลาดก็เลยไปสร้างปัดให้พวกเจรกกะให้มาทำวุ่นวายกับพิษุณีกระโดนฟ้องอีกสามครั้งเลยนะไปฟ้องสามทรั้งถูกปรับก็เลยเป็นเรื่องเบียดาวกันเป็นต้นเหตุทําให้บัญญัติว่าไม่ให้ไปฟ้องร้องจอบจงเข้าโรงศาลอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มีอบัติมีโทษ ทิฏุเมื่อจะขออารักขาความรักษาอันชอบธรรมจากปารลการเป็นอดีตหรือว่าอนาคตจะบอกเจาะจงตัวไม่ควรปรารลการเป็นอดีตบอกเจาะจงก็มีไม่เจาะจงก็มีปรารลการเป็นอนาคตบอกเจาะจงก็มีบอกไม่เจาะจงก็มีเด็กชาวบ้านหรือว่านักเลงเป็นต้นผู้ใดผู้หนึ่งมาประพฤติกิจอานาจารอานาจารหมายถึงประพฤติไม่ดีไม่ชอบในวัด หรือว่าตัดต้นไม้หรือว่าลักเอาพลาผลไปหรือว่าแย่งชิงบริขารในวิหารแห่งที่สูตรที่สูตเข้าไปหาตุลาการกล่าวว่าในวิหารข้าพเจ้าเขามาทําอย่างนี้ตุลาการถามว่าใครก็บอกว่าคนนู้นนะคนนู้นคนนู้นชื่อนั้นชื่อนั้นอังนี้ชื่อว่าอารกการเป็นอดีตบอกจะจง ต, ตัวไม่ควรถ้าตุลาการเขาได้ยินคานั้นเขาปรับไหม เรีกมาปรับนะแก่ผู้ทําร้ายนั้นทั้งปวงเป็นตินใช้แก่ทิสุทิสุต้องชอดใช้ด้วยนะแม้เมื่อประสงค์จะให้เขาปรับไหมมีคือมีเจตนาจะให้เขาปรับไหมด้วยเป็นแต่ตินใช้อย่างเดียวถ้าแลกล่าวว่านี่หมายถึงว่ามีเจตนานะไม่ได้พูดถ้ามีเจตนาว่าจะให้เขาปรับไหมถ้าถูกปรับหมายคนที่มาทําร้ายคนที่มาทําไม่ดีในวัดถูกปรับหมายนี่เป็นตินใช้กว่าเขานะ แต่ถ้าแรกลร่าวว่าท่านจงปรับไหมแก่ผู้นั้นพูดออกไปด้วยเมื่อเขาปรับเอาตัดห้ามาสกเทะนั้นก็เป็นประราชิกเลยโอ้อันตรายนะมึงจะห้ามพูดเด็ดขาดเลยเวลาไปทะเลาะกับใครใครก็ตำรวจจะมาจับใครนี่นะต้องระวังให้ดีแต่เมื่อตุลาการถามว่าใครมาทําร้ายพึงกล่าวว่าจะบอกว่าคนชื่อโนู้นดังนี้ไม่ควรแต่ว่ากล่าวว่าท่านนั้นแลจงรู้เอาเองเถิด เป็นแต่ข้าพเจ้าขอความรักษาอย่างเดียวเท่านั้นท่านจงให้อารักขานั้นและจงเอาพันดะที่เขาละเอาไปมาคืนให้ด้วยก็อบอกว่าให้รู้เอาเองแต่ว่าให้เอาของมาให้แค ห, หน่อยให้อารักาด้วยดังนี้ชื่อว่าปรารบการเป็นอดีตบอกไม่เจาะจองตัวอันนี้ควรอย่าไปบอกชื่อเล ย, ยบอกเจาะจงตัวเมื่อกล่าวดังนี้สุราการเขาได้ตัวคนร้ายแล้วก็ปรับไหม แม้เขาถือเอาทรัพย์ทั้นปวงก็ไม่เป็นสินใช้แล้วก็ไม่เป็นอับัตแก่พิจดุด้วยเห็นโจรลักเอาบริขารไปหวังสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่โจรแม้กล่าวว่าโจรโจรขโมยขโมยดังนี้ไม่ควรเจตนาร้ายแล้วก็หวังที่ให้โจรถูกจับอันนี้ไม่ควรเพราะว่าแม้เมื่อกล่าวดังนี้เขาปลัไหมสิ่งใดแก่โจร น, นั้นทั้งปวงเป็นสินใช้แก่พิจดุต้องสินใช้ด้วยนะ ต้องคืนเขา้เขาจะก็มาทวงแล้วไม่คืนให้ก็ บ, บัตรประดัชิดดัเหมกันถ้ากรอบผ้ามาสบแต่จะกล่าวกับคนผู้ทําตามคำสันว่าบริขานของเราคนชื่อนี้เขาถือเอาไปท่านจงให้เขาเอาบริขานนั้นมาให้แต่อย่าปรับไหมแก่เขาเลยอย่าไปจับเขาอย่าปรับหมาเขาเลยอย่างเงี้ยไปบอกกับคนที่สนิทกันให้เอามาคืนเนี่ยได้ดังนี้ควรอยู่ เป็นความกันเพื่อธาตุหญิงธาตุชายเป็นต้นชื่อว่าความเป็นอัตภิยัติในควรจมํมาเป็นความเรื่องธาตุหญิงธาตุชายอะไรพวกนี้ฟ้องร้องกันไม่ได้คนอื่นมาทําอนาจารเป็นต้นในวิหารดังกล่าวแล้วก่อนพิกสุบอกแกตุลาการว่าเขามาทําอย่างนี้อย่างนี้ในวิหารท่านจงให้ความรักษาเพื่อจะไม่ให้ทําต่อไปดังนี้ครั้นตุลาการถามว่าใครทําอย่างนี้พิกสุบอกว่าคนชื่อโนูน้นชื่อโนูน้นดังนี้ ชือว่าฝารบการเป็นอนาคตบอกเจาะจงแม้อันนี้ก็ไม่ควรบอกว่าคนนั้นคนนั้นอ่ะที่สั่งย้ายเข้ามาทำอย่างนี้นะนี่เรียกว่าฝารบอนาคตการบอกสะจงตัวได้นะไม่ควรด้วยว่าเมื่อเขาปรับไหมแก่ผู้ทําร้ายนั้นทั้งปวงก็เป็นสินใช้แก่ทิจุนั้นตั้งในก่อนวินิจฉัยนอกนั้นเหมือนอย่างกล่าวในก่อนนั้น ถ้าแแลว่าตุราตารเขาประกาศไว้ว่าเราจะปรับไหมอย่างนี้แก่ผู้ทําร้ายอย่างนี้ในวิหารทิจจุแล้วเขาค้นหาคนที่ไม่ตั้งอยู่ตามอาญาได้ตัวแล้วก็ปรับไหมไม่เป็นตินใช้แล้วก็ไม่เป็นอาบัตแก่ทิจจุ ด, ด้วยคนอื่นตัดต้นไม้เป็นต้นในแดนวัดจะชิงเอามีดหน้าขวานเป็นต้นมาทุบต่อยเสียด้วยหินไม่ควรเขาตัดต้นไม้ก็ามาดัดปราดัดแพ้อะไรต่างๆนี่จะไปเอาของเข้ามาทําลายนี้ไม่ได้ ถ้าคมบินไปซ้ายพึงทําให้เขาทําคืนเขานะจะวิ่งไปแย่งชิงเอาปริฐานของผู้มาตัดไม้นั้นแม้อันนี้ก็อย่าพึงทําด้วยว่าจิตกลับก่อกเร็วเมื่อเถือยยะเจตนาเกิดขึ้นก็จะถึงมู ล, ลเฉดขาดมูลไปด้วยก็จะต้องประราชิบไปเพนั้นก็อันตรายว่าอย่าไปแย่งชิงอะไรของคนที่มาทาอะไรในวัดก็แล้วกันก็บอกเขาดีๆหรือว่าขออารักขาเรื่องอารักขายาชนะกะถาจบ เรื่องการขออัตถาเป็นธรรมต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือจักแสดงการบริโภคซึ่งมาในอัตถาแห่งรูปียสิกขาบทการบริโภคนั้นมีสี่อย่างก็คืออย่างหนึ่งรัชชีบริโภคเป็นการบริโภคร่วมกับรัชชีคบกับรัตชีอันที่สองอรัตชีบริโภคคบกับอรัตชีอันที่สามธรรมมิย่บริโภคเป็นการบริโภคโดยธรรมบริโภคของที่เกิดขึ้นโดยธรรมอันที่สี อาธรรมมิยะบริโภคเป็นการบริโภคของที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมเป็นสีอย่างพิษตูเป็นอารัตชีไม่มีอย่างอายบริโภคกับพิษตูรัชชีนี่ไม่มีอาบัตนะควรอยู่พระวินัยทอนอย่าพึงปรับอาบัตเธอลัตชีบริโภคกับอารัตชีผู้เป็นลัชชียังไม่รู้ตราบใดยังควรอยู่ตราบนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปแต่เป็นบริโภคกับคนที่ไม่มีความละอายต่อบาปแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอารชีอันนี้ยังไม่มีอาบัติ ในยังควรอยู่แบบนั้นด้วยว่าเทกตุจะชื่อว่าเป็นอรัชีมาแต่เดิมก็หาไม่เพระเห็นนั้นผู้เป็นลัชีรู้ว่าเธอนั้นเป็นอรัชีเข้าเมื่อใดพึงห้ามเธอเสียเมื่อนั้นว่าท่านอย่าทําการล่วงศิษาบทในกายยัตถวานวจีทวานทําอันนั้นไม่สมควรท่านอย่าทําอย่างนี้ถ้าเธอไม่เอื้อเฟื้อขืนทําอยู่ไซผิว่าผู้เป็นลัชีก็ยังทําการบริโภคอยู่กับเธอนั้น ผู้เป็นลัทธีนั้นก็อพลอยเป็นอาลัทธีไปด้วยโดยแท้คนที่เป็นลัทธีก็กลายเป็นอาลัทธีไปด้วยการบริโภคร่วมนะีะครับถ้ารู้แล้วนะแม้ผู้ใดบริโภคกับอาลัทธีซึ่งเป็นคนรับภาระตนอยู่ก็คืออยู่ในภาระของตนหรือวรับภาระของตนอยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต่างๆแม้ผู้นี้ก็ให้พิกจุเป็นลัทธีนม้ที่นี้ก็ให้พิจุเป็นลัทธีหมายถึงว่าคนเนี้ย ให้ภยโสทั้งหลายที่เป็นอรชีเนะี่ยพึงห้ามปราม์จะเป็นอุชาเป็นอาจารย์ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นลูกศิษย์ก็ให้ห้ามปราม์ถ้าเธอไม่งดเสียใช้เธอนั้นก็พลอยเป็นอรชชีไปด้วยก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ก็เป็นอรชชีนะนะงันก็ต้องห้ามปลามว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเ้าด้วยนะไปยุ่งเกี่ยวเขาก็กลายเป็นอรชชีไปอย่างนี้แหละอรชชีผู้เดียวทําผู้อื่นให้เป็นอรชีได้ถึงร้อยเลย แต่อรัตชีกับอรัชชีบริโภคด้วยกันไม่มีอบัตคนไม่มีความละอายกับคนไม่ละอายกับบริโภคด้วยกันก็ไม่มีอบัตอะไรรัชชีกับรัชชีบริโภคด้วยกันก็งามดังขัตทิยกุมารทั้งสองเสวยร่วมในถาดทองอันเดียวกันเลยจะมีอบัติก็แต่ว่ารัชชีเป็นบริโภคกับอรัตชีนั่นแหละก็จะมีอบัตสำหรับธรรมมิยัญบริโภคกับธรรมมิยัญบริโภคทั้งสองนี้เพิงรู้ตามปัจจัย ด้านหน้าของปัจจัยถ้าแม้บุคคลเป็นอรัชีด้วยบินธบาศก็ไม่ชอบทําด้วยพึงรังเกียจทั้งสองอย่างเลยทั้งตัวบุคคลแล้วก็ทั้งปัจจัยสําหรับบุคคลก็เป็นอรัตชีแต่บินธบาศชอบทําพึงรังเกียจบุคคลอยา่าพึงรับบินธบาศถ้าไปบินธบาศมาตามปกติธรรมดาแต่ว่าปกติเป็นอรัตชีมันก็อย่าไปรับของอย่าไปรับอาหารบินธบาศของเขาอย่าไปฉันร่วมกับเขาด้วยการรังเกียจบุคคล ในมหาปัญจเรีกล่าวว่าผู้ทูตศีลได้อุเทสพัทเป็นต้นแต่สงมาถวายแกสงบินทะบาตเป็นต้นนั้นควรเท่าเทสพัทก็เป็นของสงเพราะว่าไปตามทานนั่นเองทานนั้นเป็นของสงส่วนบุคคลเป็นลัชีแต่บินทะบาตไม่ชอบธรรมบินทะบาตเป็นของพึงรังเกียจอย่าพึงรับถ้าบุคคลก็เป็นลัชีแต่ว่าของนั้นไม่ชอบธทำได้มาโดยการอาจจะไปเอ่ยปากขอกับผู้ที่ ไม่ใช่ญาติโดยที่เข้าใจว่าเป็นญาติแต่ว่าเขามีคู่รู้ว่าไม่ใช่ญาติอย่างเนี้ยนะบินบาบได้มาโดยไม่ชอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ควรรังเกียจบินบาทอย่าพึงรับบุคคลเป็นลัทชีบินบาทก็ชอบทำด้วยจึงควรครจะรับควรจะประโภคร่วมด้วยได้ยังความยกย่องอีกสองอย่างก็คือลัทธิปัตถายกย่องลัทชีตามอลัทชีปัตถายกย่องอัลัทธิ นะมีการบริโภคอีก้องอย่างคือธรรมะบริโภคร่วมทำรรกับอมิตรบริโภคบริโภคโดยอมิตรอารัชีจะยกย่องอรัชีควรอยู่อรัชีมายกย่องอรัชีนี่ไม่มีปัญหาอะไรพระวินัยทรอย่าพึงปรับอาบัติเธอนั้นถ้าอรัชชียกย่องอนรัชชีคือเชื้อเชิญให้อนุโมทนาให้แสดงธรรมและอุปถัมภ์ในตระกูลทั้งหลายแม้อารัชีก็จะสรรเสริญคุณแห่งอรัชีนั้นในบริษัทว่า อาจารย์ของข้าพเจ้าดีเช่นนี้เช่นนี้เพิ่งรู้เถิดว่าผู้นับชีนี้ทําศาสนาให้ย่อดหย่อนให้เสื่อมไปถ้าไปยกย่องพวกภิกษุอารักษชีทั้งหลายการเป็นอารักษชีก็มีลักษณะสามอย่างก็คือเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วก็แกล้งรวงอบัติรู้อยู่แกล้งรวงอบัตนอันที่สองไม่แสดงอบัติทืนอันที่สามเป็นผู้มีอภติมีอภติ น, นี้เป็นลักษณะของอารักษชีแต่ถ้ารักชีก็ตรงกันข้าม เป็นผู้ที่รู้อยู่ก็ไม่แกล้งร่วงอบัตหรือว่าอาบัตแล้วก็แสดงคืนอันที่สามเป็นผู้ที่ไม่ถึงอาภาติเป็นลัชชีเพราะฉะนถ้าลัชชีนี่ไปยกย่องอับลัชีให้แสดงธรรมให้อานุมโมทนาแดงต่างเหล่านี้ก็ชื่อว่าทำศาสนาให้ยอดย่อนให้เฟื่อมไปเลยนะก็แลในธรรมะบริโภคและอามิตรบริโภคนั้นการร่วมอามิตรควรในผู้ใดแม้ การร่วมธรรมก็ควรในผู้นั้นด้วยการบริโภคทั้งอาิตร h ทั้งธรรมนี่นะหมายถึงว่าถ้าสามารถที่จะมีการบริโภคกับรัชีเนี่ยรัชีบริโภคก็สามารถที่จะร่วมทั้งอามิ t h แล้วก็ร่วมทั้งธรรมะได้เลยแต่ธรรมภี์ใดตั้งอยู่ในที่สุดมีแต่คนทุศีนส่งไว้เมื่อร่วมคนทุศีลนั้นแล้วจะชิบหายเสียและจะเรียนคัมภี์นั้นในสำนักคนทุศีลด้วยอนุเคราะห์แต่ธรรม ท่านว่าควรอยู่ปกติแล้วแม้ธรรมะก็มีควรไปเรียนกับคนทุศีนเพราะอาจจะกลายเป็นอารัชีบริโภคบริโภคอารัชีเนี่ยพราชนะก็ไม่ควรไปเรียนกับคนทุศีลรรรรรรรศหรอกแต่ว่าถ้าคัมภีรใดกําลังจะเสื่อมถูนไปแล้วนี่นะไปเรียนด้วยการอนุเคราะห์ให้ธรรมะนั้นสืบต่อไปอันนี้ควรอยู่นางพิจุทุศีลรูปหนึ่งทรงคัมภีร์มหานิเทศไว้แต่ผู้เดียวไม่มีผู้อื่นทรงไว้ได้ พระมหาราชิตะเถระอันพระติสาเถระผู้เป็นอุปชาใช้ให้ไปเรียนท่านก็ได้ไปเรียนโดยที่อุปชานี่ก็ไ ป, ไป you know. elin, U, นั่งเป็นเพื่อนเลยนะแต่ว่าพระมหาราิตะนี่รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ทุศีนผมไม่ไปเรียนหรอกอุปชาก็เลยบอกว่าผมจะไปนั่งเป็นเพื่อนท่านไปนั่งเป็นเพื่อนหนึ่งผมไปท่านไปเรียนเสร็จแล้วในวันจบคัมภีร์ได้เห็นสตรีอยู่ใต้เตียงเป็นตัวอย่างท่านพระมหาราิตาออกมาก็บอกกับอุปชาผมรู้อย่างเนี้ยผมไม่มาเรียนด้วยหรอก รู้อย่างนี้ผมไม่มาเรียนด้วยผมรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะบนุอุปชางท่านก็ให้นุกคราะห์ศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริโภคบริโภคคาถาจบลัทชีบริโภคอรัชธิบริโภคธรรมนิยบบริโภคธรรมนิยบบริโภควันนี้ก็สมควรกับเวลาขอคอยท่านได้ศึกษาในอาทิตยสิรติกขาเพื่อกุลการติษาบทซึ่งเป็นไปในศีลซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะอบรมไตรสิขาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น มัคคะโรมจันร์ซึ่งมาจากศาสนาโรมจันร์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้อบรมอริยมรรคโดยอาศัยศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิความตั้งมั่นมีความภาคเทียนในการที่อบรมจิตให้หมดจดจากกิเลสแล้วก็บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาด้วยการทุกทานเทินสาธุสาธุสาธุ